สามเนรคนหนึ่งนะมาฝึกปฏิบัติกับหลวงปู่ดูลนะัตุโลเพื่องบัวแล้วก็ไม่มีประสบการณ์การปฏิบัติหนะลวงปู่ท่านก็แนะนำการภาวนาโดยใช้พุทโธ ท, ทีแรกเนยก็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 แล้วก็มันขู่ฟู่ฟนูะ่อยู่ใกล้มากเนี่ยก็ตกใจลืงตาก็มันก็หายไปก็รวมเป็นนิมิตนะพอภาวนาใหม่หลับตาตามลมหา้ใจภาวนาพุทโธพอจิตสงบหูมก็โผล่มาอีกเนี่ยก็ตกใจกลัว ก็เลยดืมตาแล้วงูก็หายไปก็ไปเล่าไปปรึกษาให้หลวงปู่ดูลฟังหลวงปู่ท่านก็แนะนำนะว่าในเรื่องการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยไม่มว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็จะไปสนใจให้ดูใจ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 นะกับนักภาวนาไม่ว่าจะมีมนิมิตหรือไม่หรือไม่ว่านิมิตนั้นจะน่ากลัวหรือว่าน่ายินดีนะนิมิตเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จิตปรงแต่งขึ้นนะอย่างที่หลวงปู่ดูลเคยว่านี่การเห็นเนี่ยนะการเห็นนิมิตเนี่ยจริงแต่ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันไม่จริง แต่ว่าไม่ได้เห็นด้วยตานะเห็นด้วยใจแต่ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันไม่จริงก็คือว่ามันเกิดจากการปรุงแต่งไม่ว่าไม่แต่ไม่แต่ลิมิต น, นะแอารมณ์ทั้งหลายต่างๆที่เกิดขึ้นนะเมื่อเมื่อมันจะเกิดอย่างไรก็ตามเนี่ยก็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 อะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้ความกลัวความโกรธก็สามารถจะเข้ามาเล่นงานจิตใจได้เพราะว่าไม่มีสติเป็นเครื่องรักษาใจนะ้เหมือนกับปล่อยกานักมวยพอปล่อยกานี่แล้วก็อันตรายแล้วเมื่อจิตมาส่งออกนอกไม่มีสติโดยเพราะเรื่องความกลัวเนี่ยอันนี้เป็น ที่ท่านพูดกัเนี่นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากคนแววกกลัวแล้วก็ตามจิตมันก็จะส่งออกนอกไปที่สิ่งที่กลัวจะเป็นงูเงง่ยวเขียวขอก็ตามหรือเป็นสิ่งที่ปรุงจิตปรุงแต่งขึ้นมาเช่นผีเนี่ยอยู่ที่กกติแล้วก็มันกลัว ปรุงแต่งว่ามีผีมีสางนะอยู่ในห้องน้ำมึงแล้วหรือว่าอยู่นอกกุติบางละวนะจิตตอนนั้นนี่มันมันลืมตัวนะมันลืมนะลืมใจจิตมันไปเพ่งออกไปเพ่งออกไปข้างนอกเนะียที่จริงแล้วในภาะวานะนั้นจิตนั้นก็ ปรุงแต่งนะนะจดจ่ออยู่กับเรื่องที่กลัวแล้วก็ที่จริงสิ่งที่กลัวมันไม่ใช่สิ่งนอกตัวเลยนะมันเป็นสิ่งมันเป็นความคิดต่างหากมันเป็นความคิดนะคนเราไม่ได้กลัวผีแนตะ่กลัวความคิดนะกลัวความคิดมากกว่ากลัวความพิเศษกับผี หรือว่าสัตว์ร้ายหรือว่าคิดต่ามีคนร้ายคนไม่หวังดีคนประสงค์ร้ายเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงแล้วแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่จิตปรุงแต่งหรือคิดขึ้นมาเองไอ้ที่มันคิดได้ก็เพรา ะ, ะไม่มีสตินะเพราะลืมตัว แต่ทันทีทีนะ่กลับมาดูจิตนะพอกลับมาดูจิตเนี่ยนะกลับมาดูความกลัวไอ้ความกลัวก็หายไปความกลัวมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าจิตไ ม, ไม่มีเครื่องรักษานะเหมือนกับบ้านที่ไม่มีคนเฝ้าหรือว่ากำแพงเมือง ที่ไม่มีหรือประตูเมืองที่ไม่มีทหารยาม น, นะคอยดูแลนะมันก็เข้าไปจู่โจมเล่นงานจิตใจได้นะจะเป็นความกลัวความโกรธแล้วก็ตามแต่ทันทีที่กลับมาดูใจเนะี่ยหรือว่าไม่เห็นความกลัวนั่นะไม่เห็นความโกรธนันก็ มันก็หนีไปเหมือนกับขโมยนะที่มันแอบเข้ามาตอนเจ้าของบ้านเผลอนะแต่พอเจ้าของบ้านรู้หันไปสบตามันนะมันก็อายละอายหรือมันอาจจะกลัวดได้ซ้ำก็หนีไปที่ตลงปูเดนพูดไว้เนไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามนะอย่าไปสนใจให้มาดูใจอันนี้ รวมถึงอย่างอื่นด้วยนะไม่ใช่เฉพาะมีเช่นมีเสียงดังเสียงดังกาลังภาวนาอยู่เสียงดัง น, นเกิดความไม่พอใจเกิดความมึนอีขึ้นมาตอนนั้นจิตมันส่งออกนอกแล้วส่งออกนอกไปที่เสียงนั้นมันก็เลยเปิดช่องให้ความโกรธเข้ามาเล่นงานจิตใจได้แต่พอ เรากลับมาดูใจนะปุ๊บเนี่ยความโกรธมันก็ก็เลือนหายไปความเจ็บความปวดก็เหมือนกันนะความปวดความเมื่อยขณะที่ภาวนาเนี่ยเออสังเกตว่าเนี่ยใจเราก็มันก็ไปปักตึงอยู่ที่ความปวดนั่นแหละนะใส่แล้วในภาวะเช่นนั้นเนี่ย ก็ไม่รู้ตัวนะว่าใจกำลังหุดหงิดใจกำลังอาบนโอดโอยตีโพตีพายหรือว่ามีอาการผักใสมันเกิดขึ้นได้เพราะใจไม่มีนะสติกำกับนะไออารมณ์เหล่านี้ก็เข้ามาจู่โจมครอบงำจิตใจได้แต่พอกลับมาดูใจนะ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 บุกเข้าไปในเมืองเนี่ยมันก็ต้องหาทางหาทางพยายามล่อให้ทหารยามเนี่ยไปสนใจอย่างอื่นอาจจะส่งเสียงอาจจะจุดไฟจุดไฟไหม้ข้างนอกเมืองทหารยามก็ตกใจไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าอาจจะทำเรื่องชกต่อยกัน นะคนก็ทหารยามก็ไปดูว่าเกิดอะไรตอนนั้นก็ลืมทำหน้าที่เฝ้าเมืองเฝ้าประตูนะมันก็ผู้ร้ายหรือว่าศัตรูเข้าไปได้อย่างที่เราเห็นในหนังนะต้องพยายามดึงความสนใจของทหารยามนะออกไปจะได้ละทิ้งหน้าที่นะหน้าที่ก็คือการเฝ้าประตูเมือง เอาไปดูว่ามีอะไรมีไฟไหม้มีหรือว่ามีการทะเลาะเบาะแวงกันหรือมีเสียงกุกกกอยู่นไปดูว่ามีอะไรตอนนั้นแหละประตูเมืองไม่มีใครเฝ้าแล้วผู้ร้ายศัตรูเข้าไปได้ใ น, นเวลาจิตของเรานะมันไปตรวจมันไปส่งจิตออกนอกก็อย่างนั้นแหละก็ทำนองเดียวกันพอส่งจิตออกนอกปุ๊บนี่ไม่ว่า สิ่งที่สนใจนั่นจะเป็นอะไรก็ตามเป็นเสียงเป็นกลิ่นหรือว่าเป็นเวทนาเป็นนิมิตนะตอนนั้นแหละจิตมันไม่มีสติเฝ้าไม่มีผู้รักษานะในความกลัวความโกรธ ค, ความทุกข์ก็ได้ช่องถือโอกาสเข้ามาเล่นงานติดใจ ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะก็ให้ดูใจเท่านั้นเพียงพอนะอย่างที่หลวงปู่ดูลนท่านว่าไว้หลวงพ่อคเพียงก็พูดเสมอเห็นหเห็นอย่าเข้าไปเป็นเป็นเนี่ยนะมันก็เกิดจากการที่มันมันเข้าไปยึดนะด้วยความหลงนะ อะไรเกิดขึ้นถ้าเห็นเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้ขึ้นแต่เข้าไปเป็นเนี่ยมันจะกลายเป็นความหลง เ, เช่นเป็นผู้กโกรธเป็นผู้ปวดนะนตอนน่าหลงแล้วเมื่อจมเข้าไปในอารมณ์นะเมื่อจมไะไเข้าไปในอารมณ์จะเป็นอารมณ์แล้วก็ตามดีใจเสียใจยินดียินร้ายนะตอนนั้นเนี่ยมันหลงแล้ว แต่ถ้าเห็นเนี่ยมันก็จะรูเ้เมื่อรู้แล้วเนี่ย อ, อารมณ์นั้นก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าเราใส่ใจอะเวลามีนิมิตเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมันีะเข้าไปเป็นนิมิตนั้นก็มีนะเนช่นเกิดความยินดีนะเกิดปิติขึ้นมาเนี่ย เวลามีปิติเกิดขึ้นก็ให้ดูมันเฉยเฉยนะเห็นมันเฉยเฉยไม่เข้าไปเป็นพนะอเข้าไปเป็นเมื่อไหร่นี่ก็จิตก็ลืมตัวแล้วคนเราไม่ได้ลืมตัวเพราะความทุกข์อย่างเดียวนะนะบางทีก็ลืมตัวด้วยเพราะความสุขด้วยนะให้ให้มีสติตั้งมั่นนะเป็นให้เห็นอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้เห็นที่ไหนก็มาเห็นที่จิตที่ใจนั่นแหละ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 หรือว่ากดขม่มไอ้ตอนนั้นก็เช่นเดียวกันนะจิตก็จะไม่มีสติเนี่ยคอยรักษาแล้วคอยป้องกันแล้วไอ้ความทุกข์ก็เข้ามาได้เปิดช่องมันมีช่องอมันมีช่องโบวขึ้นมา เม่ว่าทําอะไรเนี่ยก็อย่าลืมกลับมาดูใจ เ, เวลากินอาหารอร่อยเออมันอร่อยนะก็อย่าไปเพลินกับอาหารเดี๋ยวให้มาดูใจตอนนั้นใจรู้สึกอย่างไร เ, เวลาฟังคนพูดคุยนะเกิดความสนุกเกิดความตื่นเต้นก็อย่าลืมกลับมาดูใจ เวลามีเสียงดังหรือว่ามีการทะเลาะเบาะแว้งกันหรือมีการถกเถียงกันไม่ถูกใจเราก็ย่นืกลับมาดูใจว่าตอนนั้นมีความขุม่นมัวอะไรไหมไอ้อตาหูจมูลิงกายเนี่ยมันมีหน้าที่รับรู้สิ่งภายนอกส่วนใจเนี่ยมันหน้าที่สำคัญคือกลับมาดู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 สติมาทำงานนี้นะหรือไม่ค่อยใช้ใจนี่มาดูใจมีอะไรก็นะจมันก็แล่นออกนอกหมดนะมันก็ทำให้เกิดอันตรายนะเรียกว่าอันตรายที่ปกปิดนะครูเจ้าตสาอันตรายเปิดคืออันตรายที่ปกปิดอันตรายที่ปกปิดก็คือพวกอารมณ์พวกนี้แหละตัณหาไมตทิติเ น, นี่ยนะความถือตัวเข้ามานะ สร้างความชุยแกจิตใจได้ต้องฝึกนิสัยนี่ไว้นะนิสัยที่ไม่ใช่ส่งจิตออกนอกอเดียวให้นิสัยกลับมาดูใจนะไม่ว่ามีผัสสะอะไรนะเกิดขึ้นก็ตามไม่ว่าจะมาในรูปไหนรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะรวมทั้งธรรมารมด้วยไนะอ้นิมิตเนี่ยก็เป็นธรรมารมอย่างหนึ่ง ถ้าไปจดจ่อมันก็เสียท่าเหมือนกันอันนี้เป็นนิสเป็นนิสยัยต้องฝึกเลยนะสำนักปฏิบัติธรรมรวมทั้งเวลาเกิดความทุกข์ด้วยนะเวลาเกิดความทุกข์เนี่ยเดยเพราะทุกข์ใจเนี่ยธรรมชาติของจิตเนี่ยหรือว่าธรรมชาติของอ น, นิสัยของเราเนี่ยมันจะส่งออกไปข้างนอกเลยแล้วก็ไปโทษข้างนอก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 มันไม่ให้กายโปวดนั่มันเป็นความสกูปวดกูปวดพอกูปวดเมื่อไหร่นี่ใจใจทุกทันทีเลยแต่ถ้ามันไม่มีไม่มีการไปไปยึดว่ากูปวดนะหรือไม่มีความสำคัญม า, มา่อหว่ากูปวดเนี่ยใจมันไม่ทุกข์หรอกนะมันก็เห็นแต่ว่ากายโปวดหรือว่าไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราพอยึดเป็นเราเป็นของเรานี่ใจมันทุกทันที แต่ถ้าไม่เยอดเป็นราเป็นของเรานี่มันไม่ทุกนะมันก็เหมือนกับเราเห็นไฟไหม้ไหม้ไม้เนี่ยมันถูกไฟไหม้อยู่ข้างหน้าเรานี่เราทุกไหมเราเดือดร้อนั้มเราก็ไม่เดือดร้อนน่ะนะเพราะว่าไม้นี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเออไม้เป็นของเราเมื่อไหร่เนี่ย อันนี้ก็เริ่มทุกข์แล้วเริ่มเศร้าเริ่มเสียใจหรือโกรธคือถ้าไปยึดว่าถุไม้เป็นตัวเรานี่ก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่คนเราทําเหมือนกันนะจิตใจเราทําหัืนเนี่ยกับกายนะเวลากายปวดเนี่ยนะใจมันคีก่ก็ากายนี้เป็นเราเนี่ยมันก็เลยเราก็เลยปวดขึ้นมาเป็นผู้มีผู้ปวดเกิดขึ้นใจก็ทุก แต่ถ้าเราดูความดูกายที่ปวดเมือนก็เราดูไม้ที่กาลังถูกเผานะว่ามันไม่ใช่เราใจก็ไม่ทุกข์นะลองดูลองดูกายลองดูเวทนาแบบนั้นดูบ้างว่าเออมันก็ไม่ใช่เราอันนี้แหละที่หลวงพ่อเห็นใช่มว่าเห็นไม่เข้าไปเป็นเพราะเป็นนี่ก็คือเป็นเรา ไปยึดว่าม it ันเป็นเราไปยึดว่ากานี้เป็นเราไปยึดไปยึดเวทนานี้เป็นเราเป็นของเราอันนี้รวมถึงความกลรธความกลัวที่มันเกิดขึ้นกับใจด้วยแล้วพอไปยึดเป็นเราเป็นของเรานี่มันทุกข์เลยนะแต่ถ้าเราเห็นมันเฉยๆนะความกลัวความกลัวเห็นมันเฉยๆเนี่ยตอนนั้นแหละที่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา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 พราะตอนนั้นเนี่ยจิตมันกำลังหาแพ้แล้วหาแพ้กำลังกล่าวโทษหาแพ้รับบาปกำลังหากำลังกล่าวโทษนะว่าโน่นว่านี่เนี่ยทําให้ฉันทุกข์แต่ที่จริงเนี่ยเป็นเพราะใจเราต่างหากนะไปจดจ่อมันทําไมนะหรือไปยึดมันทําไมหรือว่าไปเป็นเพราะลืมตัวใช่ไหม อย่างที่มีเรื่องเล่าเนี่ยว่าเนี่ยสมัยที่ท่านเวลางท่านหนีมาจากทางภาคเหนือมาอยู่ที่กวางากวางกวางโจเมืองกวางโจวชื่อวัดกวงเซียวมั้งตอนที่มาถึงใหม่ๆนี่ก็กาลังมีการบรรยายธรรมโดยอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงคนมาฟังเยอะมากฟังจนล้นออกจากห้อง ออกประชุมออกมาล่นมาข้างนอกระหว่างนั้นเนี่ยก็มีคนที่ฟังอยู่ข้างนอกนี่ก็ไปเหลือเ็นธงธงมันปลิวมีคนนึงก็เพื่อธงมันไหวคนที่ๆบอกไม่ใช่ธงไหวลมมันไหวต่างหาก็เถียงกันเถียงไปเถียงมาคนที่อยู่ ข, ข้างก็มาร่วมเถียงด้วย การเป็นการจับกลุ่มแบ่งเป็นสองฝ่านยะถกเถียงกันด้วยความด้ว ย, วยที่แรกก็ด้วยเห็นด้วยผลนะตอนต่ อ, ตอ ล, ลังก็ช่างมีอารมณ์นะธรรมดาการถกเถียงกันเนี่ยถึงเดิมก็มีอารมณ์เนะถียงอยู่นั่นแหละว่าทงไหวหรือลมไหวนะไม่สนใจแล้วนะว่าอาจารย์กำลังบรรยายเรื่องอะไรทั้งในนั้น อาจารย์ก็ว่าไปข้างนอกจับกลุ่มใหญ่เทียงก็ว่าลมไหวหรือธงไหวท่านว้ไลอยู่ตรงนั้นพอดีก็เลยพูดแซ่ก้นมาว่าใจท่านต่างหากที่ไหวใจของพวกท่านต่างหากที่ไหวพอที่นกลุ่มนั้นคนกลุ่มนั้นก็ได้สติเลยพอตอนนั้นนี่นะไปสนใจนจิตมันส่งออ ก, อกนอกไปที่ลมไปที่ไปที่ธงลืมดูใจตอนนั้นเนี่ยกลัง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 ตอนนั้นมันก็เรียกว่าจิดส่ออกนอกอนะลืมดูใจเนะ mm hmm. ทียงไปทําไมทงไว้หรือลมไหวใ น, ในเมื่อใจนี้มันนะกำลังกระเพื่อมด้วยความโกรธด้วยความขุนะมัวเพื่อพยายามสร้างนิสัยนี้เอาไวนะ้นนิสัยนี้นิสัยที่จะไม่ไม่มัวแต่ส่งจิตออกนอกแต่กลับมาดูใจอยู่เสมอนะ ยิ่งพอเวลาโดยเพราะเวลามีความทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะกลัวทุกข์เพราะกลัวทุกข์เพราะเศร้าทุกข์เพราะเสียใจอะไรเนี่ยในตอนนั้นจิตเนี่ยมันส่องนอกไปเต็มที่เลยโดยเพราะเวลาโกรธเนี่ยมันจะโดยเพราะเวลาโกรธแล้วกลัวเนี่ยนะมันจะมันจะไปอยู่ข้างนอกนะแล้วก็ไปโทษนะแล้วก็บางทีก็หาทางตอบโต้แก้แค้น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 เส้นดาเขาทำลายเข้าของหรือว่าทำลายเขาเและในหลังที่ทำลายเขานี่ก็ทำลายใจตัวเองด้วยนะที่จริงทำลายจิตใจตัวเองก่อนที่จะไปทำลายก็เลยซ้ำก็คือว่าไปปล่อยให้ความกลันี่เผาหลนจิตใจนั้นเรียกเป็นการซ้ำเติมตัวเองตั้งแต่แรก คนเราก่อนที่ไปทําความทุวย์ให้กัใครเนี่ยมันทําความทุกข์ให้กับตัวเองก่อนนะเริ่มต้นโดยการนะไปปลุกเราหรือว่าไปสมนะฟืนไฟแห่งความโกรธนะให้มาเผาลน้นจิตใจพอจิตใจมันร้อนมันทนไม่ไหวมันก็เริ่มที่จะระบายความทุกข์ใส่คนอื่นแล้วนะ โดยการด่าหรือว่าด้วยการทําร้ายเข้าของเขาหรือว่าทําร้ายตัวเขานันไม่ว่าจะเป็นนักภาวนาก็ตามไม่ว่าทางที่ภาวนาก็ตามทางที่ดําหน่อชีวิตจะมาก็ตามเนี่ยเรื่องการดูใจเี่ยกลับมาดูใจเนี่ยสําคัญมากต้องทายเป็นนิสัยอย่างที่พูดเ ม, มื่อ ว, วานเนี่ยว่าเวลามีอะไร เวลามีความทุกข์ก็อย่มัวแต่บ่นนะอันนี้มันก็เป็นในการจ้ากลับมาดูใจเนี่ยนะมันก็ทําให้ในการที่จะบน่โนโน่นบ่นนี่เนี่ยมันน้อยลงเป็นเพราะไม่ดูใจนะเป็นเพราะไปโทษข้างนอกมันก็เลยไปบ่นหรืออดโอยนะการบ่นอดโอยก็คือการที่ไปมองว่า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 แต่ถ้าทำได้ก็จะลงมือลงไม้ลงมือนะทำไม่ได้ก็ได้แต่บน่นหรือว่าโวยวายหรือว่าต่อว่านะต่อว่าต่อขานอันนั้นไม่ใช่วิสัยของนักปฏิบัตนะิเพราะว่านักปฏิบัติก็ยัอมรู้ดีว่าความทุกข์เนี่ยโดยเพราะทุกข์ใจเนี่ยนะมันก็เกิดจากใจที่ไม่มีสตินั่นเองจกงอยู่ความทุกข์กายเนี่ย อาจจะเกิดจากคนอื่นอาจจะเกิดดินฟ้าอากาศจะเกิดจากมแมลงแต่ถ้ามีสติรักษาใจเนี่นะหรือว่าหมั่นดูหรือว่าดูใจเสมอเนี่ยมันก็ได้ทุกข์กายมันไม่มีทางที่ใจจะทุกข์ได้แต่พขไม่มีสตินั่นแหละนะแต่ที่เห็นก็เข้าไปเป็นนะมันก็เลยใจหรือใจก็เลยเป็นทุกข์ไปด้วยนั่นกับมาดูใจดูใจอยู่เสมอเนี่ยเป็นเป็น เป็นนิสัยที่เราต้องสร้างเอาไว้ทําสม่ําเสมอเริ่มจากการภาวนาก่อนแต่พอเมื่อภาวนาบ่อยๆฝึกนิสัยดูใจเนี่ยโดยควบคู่ไป ก, ก, ก, กับการดูกายด้วยนีย่ต่อไปเวลาออกจากการภาวนาเ็นชีวิตประจําวันมีอะไรมากระทบเกิดความไม่พอใจความหมุนหิด น, นี่แทนที่มันจะจิตมันจะพุ่งออกไปข้างนอกมก็กลับมาดูใจเนี่ย แล้วก็เมื่อมาดูเมื่อดูใจเนี่ยไอ้ความอารมณ์ต่างที่เกิดขึ้นก็จะสงบไปได้ไอ้ตำราการเห็นเนี่ยเป็นเรื่องของตานะการได้ยินเป็นเรื่องของหูนะส่วนใจหรือสตินี่มันมันมีหน้าที่ที่มาดูมาดูใจมาดูธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่เข้าไปเป็น 好了，插的过来，等你再看。